ทีนี้ศีลประเภทที่ห้าเลยนะปฏิปสัสสธิปาริสุทีศีลส่วนศีลของท่านผู้สิ้นอาสวะทั้งหลายมีพระอรหันต์เป็นต้นพึงทราบว่าชื่อว่าปฏิปสัสสติปาริสุทีศีลอันนี้นับถึงศีลของพระอรหันต์อย่างเดียวเห็นไหมปฏิปัปสสตินี่สงบประงับใช่ไหมเหมือนเราเคยได้ยินนะ ปะหานะมีห้าใช่ไหมหนึ่งเรนนะแต่ทางข้าประหารสองวิคัมพะนะประหารสามสมุตเฉทประหารสี่ปฏิปัสสัตธิประหารแล้วก็ห้านิสรณะประหารปฏิปัสสัททินี้หมายสงบระงับคําเหล่านี้ที่พบนั้นเป็นชื่อของเกี่ยวกับผลจิตแต่ตรงนี้หมายเอาอรหัตผลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นศี่นที่ เกิดพร้อมกับอรหัตผลนั่นแหละชื่อว่าปฏิปัสสัตทิปาริสุทิศีลเพราะความเป็นศีลบริสุทธิ์ระงับความกระวนกวายทัางปวงเสียได้ระงับความกระวนกวายอาคําว่าความกระวนกวายนั้นเป็นชื่อของอะไรกระวนกวายก็อะไรทําให้กระวนกวายถ้าใจกระวนกวายนี้แสดงว่าถูกกิเลสนี่ครอบงําได้ใช่ไหมคําว่ากิเลสเนี่ยนะโหฟังดูเหมือนกับว่า กิเลสนี่แปลว่าอะไรก่อนเครื่องเศร้าหมองอ่ะนะสิ่งที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองอ่ะนะอย่างนั้นแหละเชื่อว่ากิเลสแต่ว่าบางคนเนี่ยโอ้โหฟังดูแล้วเหมือนกับว่าไปรังเกียจคนนั้นอะ่ะคนที่ถูกกิเลสครอบงําต่จริงน่าจะรังเกียจไอสภาพกิเลสที่มันเข้าไปครอบงําเนี่ยนะเหมือนกับคนที่ถูกโรคภัยมันเข้าไปเบียดเบียนเนี่ยนะเขาเป็นคนน่าเห็นใจนะเราก็น่าจะตําหนิหรือว่ารังเกียจ ไ, ไอโรคอันนั้นใช่ไหมที่เข้าไปเบียดเบียนเขา ชาแ น, นก็ดีสภาพจิตของคนที่ร้อนรนกรวนกวายก็ลักษณะเดียวกันเพราะอำนาจกิเลสนั่นแหละทำให้เขาร้อนรนที่จริงมีใครอยากร้อนบ้างเอาต่อไปว่าศีลที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะชื่อว่าศีลห้าอย่างคือปริยันตะปาริสุทธิศีลเป็นต้นขอย้อนไปที่หน้า หน้า1 6ึ่งหกสบนะย้อนไปที่หน้าหน<ม>ึ่งหกสบเพื่อที่จะได้กล่าวถึงปฏิปสัสสธิปาริสุทิสีลซ้าอีกครั้งหนึ่งในปฏิปปิปัปสสธธิปาริสุทิสินนี้เป็นศีลของพระขีณาสพเนี่ยนะผู้เป็นสาวกของพระตถาคตเจ้าก็คือศีลของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะ อย่างเช่นศีลของพระสารีบุตรของพระโมคคัลลานะของพระหมหากระสปะเป็นต้นเนี่ยศีลเหล่านี้ของท่านเรียกว่าปฏิปสัสสธิปาริสุทธีศีลหรือว่าศีลของพระปัเจ ก, กพุทธเจ้าทั้งหลายพระประเจ ก, กพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นท่านเป็นผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีผู้อื่นเป็นปัจจัยเลยเนี่ยนะสามารถทําปัจเจกโพธิญาณให้เกิดขึ้นได้เอง ศีลของพระปเจกับพุทธเจ้าก็ชื่อว่าปฏิปัสสัทิปาริสุทิศีลเหมือนกันแล้วก็ศีลของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลองแบ่งสามคําลยนะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า น, นี้เป็นคําที่บ่งถึงความเคารพนะนะถ้า ว, ว่าเจ้าบาลีนึกไม่ออกกระสับไหนมนะั้ยเนา พระพุทธเจ้าก็คือพุโทโธในหนัพท์เดียวกันเราใช้คาว่าพุทธเจ้านะตะถาคตตถาคตนี่มีความหมายว่าอย่างไงตถาคตหมายคําว่าผู้ที่เสด็จมาอย่างนั้นเนไหมสองเสด็จไปอย่างนั้นเอาสองข้อนี้ถ้าเข้าใจสองข้อนี้ก็เจ๋งแล้วเสด็จมาอย่างนั้นนี่มาอย่างไร บอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยนะที่มีในก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั้นเนี่ยนะเสด็จมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่โลกเนี่ยนะโดยประการใดพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลโลกโดยประการนั้นมายังไงก็มาด้วยอภินิหารอภินิหารคืออะไร นะพินิษฐานคือความปาถนะมูลปณิธานหรือความปาถนะปาถนะว่าเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยใช่ไหมนะเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ความปราถนะอันนี้จะสำเร็จได้เพราะประชุมธรรมะประการเนี่ยนะมนุษสัต์ตังเลีงขาัมปฏิเป็นต้น เมื่อประชุมธรรมะทั้ง8ปดประการนี้แล้วก็สมาทานค้นคว้าบารมีเนี่ยนะสมท า, านค้นคว้าบารมีเพราะว่าบารมีเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ต้องคิดได้เองนะแม้แต่บารมีก็คิดได้เองตั้งแต่ต้นละ น, นะค้นหาว่าเอพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนเนี่ยนะท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านให้ทานหลังั้นแต่ท่านบำเพ็ญทานนะบารมีมา ท่านก็เหมือนกันถ้าหากว่าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องบำเพ็ญทานนบารมีเหมือนกันแล้วก็อุปมาเหมือนอย่างว่าเนี่ยนะเสร็จแล้วท่านก็สมาทานในการประพฤติทธธานนบารมีให้มัน่นแล้วก็คนต่อไปอีกว่ามีบารมีอื่นอีกไหมหรืออีกสำนวนวนะว่ามีพุทธกัลกะทำอย่างอื่นอีกไหมที่จะทําให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็คนตายก็เห็นศีลใช่ไหมท่านก็สมาทานศีลเนี่ยนะสมาทานศีนาานลบารมี แล้วก็ค้นต่อไปอีกเจอเนคขมมะบารมีเนี่ยนะแล้วก็สมทานพอสมาทานเสร็จค้นเพิ่มอีกเห็นเห็นอะไรปัญญาบารมีเนี่ยนะพอได้เนคขมมาแล้วก็ปัญญาทีนี้ก็สมาทานเนคขมมะบารมีอย่างนํารงมัน่นเะนี่ยนะเขบอกว่าเห็นพบสามเหมือนเหมือนคุกเหมือนตาราง น, นั่นแหละฟังกันแล้วก็พอสมทานเนคขมมะบารมีแล้วก็ค้นหาบารมีข้อต่อไปอีกก็พบ วิริยะบารมีเนี่ยนะพอแล้วก็สมาทานดํารงมั่นเหมือนกับราชสีเป็นสาสตร์ที่องอาจเนี่ยนะพอสมาทานวิริยะบารมีเสร็จก็เห็นเนกขมะเอ่อขันติก่อนนะเห็นขันติบารมีขันติบารมีก็เหมือนกับแผ่นดินใช่ไหมแผ่นดินเนี่ยไม่หวั่นไหวพอสมาทานขันติบารมีแล้วท่านก็สมาทานเอค้นพบสัจจะบารมีแล้วก็สมาทานสัจจะบารมี เป็นคนที่เที่ยงตรงเหมือนดาวประกายพรึกเหมือนกันเถอะพอสมาทานสัจจะบารมีเสร็จก็ค้นคว้าต่อไปอีกก็พบอธิฐานบารมีเนี่ยนะก็สมาทานอธิฐานบารมีอีกเหมือนกับเหมือนกับภูเขาเนี่ยนะตั้งมั่นพอสมาทานอธิฐานก็คน้นต่อไปอีกก็พบเมตตาบารมีเนี่ยนะแล้วก็สมาทานเมตตาเหมือนกับน้ําให้ความชุ่มเย็นหมดเลย พอสมาทานเมตตาก็ค้นต่อไปก็เห็นอุเบกขาบารมี น, นะนบำเพ็ญบารมีเสร็จแล้วก็วางใจเนี่ยนะเหมือนกับว่าบำเพ็ญบารมีให้ประโยชน์สุขแก่สัตว์ได้หมดแล้วก็วางใจซะเด็ดนะอันนั้นเป็นอุเบกขาบารมีทีนี้ท่านก็พิจรารณาบารมีคงไม่อยู่ระดับนี้แน่นอะนก็แบ่งออกเป็นเออเป็นบารมีชั้นธรรมดาบารมีที่อุกฤตกกว่านั้นเรียกว่า อุปปารมีแล้วก็บารมีที่ยิ่งเสมอด้วยชีวิตเป็นปรัมัทธาบารมีและท่านก็ไข้ครวญเลยนะจากเบื้องจากข้อต้นไปหาข้อสุดท้ายจากข้อสุดท้ายทวนมาหาข้อต้นจากกลางมาหาหัวหาท้ายท่านคร่ครวญทั้งทั้งดำทั้งขาวทั้งอะไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นความเศร้าหมองของบารมีอะไรเป็นความผ่องแผ่วของบารมีอะไรเป็นปัจจัยของบารมีเนี่ยนะท่านคร้ครวญพิจารณาด้วยตัวเองหมดเลยเนี่ยนะ ก็บอกว่าสมาทานไข้ครัวลักษณะนี้จนแผ่นดินไหวก็บอกว่าพอสมาทานแล้วท่านก็ประพฤติบารมีนั้นพร้อมทั้งมหาบริจาคอีก5ประการนะมหาบริจาคอีกห้าอย่างก็คือบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะบริจาคบุตรภรรยาแล้วก็บริจาคชีวิตเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ประพฤติเจริยาอีก3อย่างเนี่ยนะประพฤติโลกาถเจริยาเนี่ยนะประพฤติประโยชน์แก่โลก ยาตถาจริยาพืชประโยชน์แก่พยากเห็นไแก่หมูญาติแล้วก็พุทธตจริยาประพืชเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญจริยาทั้งหลายเหล่านี้แล้วบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราชื่อว่าพระตถาคตก็ดําเนินมาอย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมมาด้วยการปฏิบัติในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จมา อย่างนั้นถ้าเสด็จไปอย่างนั้นแห ะ, ะเห็นไหเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยท่านอธิบายนับตั้งแต่ว่าประสูติปุ๊บเนี่ยนะตั้งแต่ประสูติเป็นต้นไปเนี่ยขณะที่ประสูติเป็นบุพนิมิตแห่งคุณนะวิเศษทั้งหลายหรืออีกในหนึ่งก็คือพอองเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยก็คือไปด้วยการละล ะ, ละกิเลสละอะไรละการมฉันทะด้วยเนคขมะละพยาบาทะด้วย อัพยาปาทะมันไปเรื่อยนะที่จริงแล้วในลักษณะของตถาคตอีกคำหนึ่งนะที่เป็นคําอธิบายของตถาคตเป็นอย่างดีเลยก็คือควรจะดูในหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนี่ยนะหน้าหนึ่งร้ยเจ็ดสิบเนี่ยนับขึ้นไปสามบรรทัดนับจากข้างล่างขึ้นไปสามบรรทัดเนี่ยนะนี่คือคําอธิบายหรือว่าหัวข้อของคําว่าเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยนะก็คือไปด้วย อุปจาระฌานมีอยู่7ข้อไปด้วยสมาบัติทั้ง8ไปด้วยมหาวิปัสสนา18ไปด้วยอริยมรรค4ประการนี้คือพนามว่าตถ า, าคตเพราะเสด็จไปอย่างนั้นเห็นไหมแล้วก็พระตถ า, าคตนี้เพราะอัตถาว่าอะไรเห็นลักษณะที่ที่ทองแท้เห็นลักษณะที่ ท, อ ง, ท, ทองแท้ก็คือเห็นลักษณะของอริยสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะแทงตลอดอริยสัตว์หรือว่า เห็นลักษณะของปฐวีาธาตุทั้งหลายเป็นต้นังนั้นคำว่าตถาคตพระตถาคตแล้วก็อรหัน์นี่ก็พุทธคุณเหมือนกันนะศีลของพระตถาคตอรหัน์อรหัน์นี่มีกี่ความหมายส1ความหมายนะแต่โดยทั่วไปในชั้นอัตตะาอธิบายห้าความหมายห้าความหมายคือเห็นนะอรหังเมื่อกี้นี่สวดมนต์แล้วคิดยังไงอรหัง น, นะนะไกลาจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาเห็นไะหด้วยมัคเหมือนกนเถอะเป็นผู้ไกลแสนไกลาจากกิเลสด้วยวาสนาเพราะว่าท่านเจริญมัคเห็นไะหเจริญอริยมัคจึงละกิเลสและวาสนาได้ข้อ2กําจัดข่าศึกข่าศึกข้าศึกภายในศัตรูภายในคือกิเลสอรหันต์ในที่3คือหักซีกรรมแห่งสังสารจักรสังสารจักรนี่นะสังสารนะ มีอะไรเป็นดุมอวิชากับภาวะตันหาเป็นดุมนะมีอะไรเป็นเพลาอาสวะสมุทยัยแล้วก็มีอะไรเป็นซี่ก ร, รมมีสังขารเป็นซี่ก ร, รมแล้วมีอะไรเป็นกงชรามรณะเป็นกงเพราะเป็นที่สุดรอบนะแล้วก็ประกอบเข้าไว้ในรถรถเป็นชื่อของของอะไร ของพบสามพบสามอันต่างด้วยวิบากและกรรมชรูปเนี่ยนะแล่นไปในสังสารวัตรนะคำว่าสงสารเป็นชื่อของขันธาตุและอายตนะที่ไหลสืบเนื่องไปในลักษณะนี้พระองค์ทลายด้วยการยืนบนแผ่นดินคือศีลยืนอยู่บนแผ่นดินคือศีลด้วยพระบาทเออพระพบาททั้งคู่เนี่ยนะที่มั่นคงอ่ะนะ ยืนแบบยืนแบบคนมั่นคงเลยด้วยพระบาททั้งทั้งสองท่างเนี่ยนะคืออะไรความเพียรเห็นนะแล้วก็อาศัยมือมือมือคือศรัทธาแล้วก็จับพระสุคือขวานที่รับมาอย่างดีบนหินขวานเป็นชื่อของปัญญาหินรับมีดเป็นชื่อของสมาธิเห็นนะ แล้วก็ฟาดฟันลงไปในสังสาระจักรอันนี้เนี่ยนะเริ่มหมดเลยทำลายได้หมดเปลี่ยนเลยเนี่ยนะก็เลยนี่เรียกว่าความหมายของอรหันต์ยะที่3ทํทำลายซี่กรรมแห่งสังสาระจักรอรหันต์ต่อไปอรหันต์คือผู้ควรแก่สการะผู้ควรแก่การบูชาด้วยปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะด้วยปัจจัยทั้งหลายด้วยสการะอย่างอื่นเป็นต้นเนี่ยนะ เพราะว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีคุณควรแกการบูชาเนี่ยนะอันนี้คือว่าอารหันไยหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือข้อต่อไปพราอรหันเพราะว่าไม่มีการทำบาปในที่ลับหรือว่าไม่มีแอบไปทําะทำบาปในที่ไหนที่หนึ่งเลยไม่เหมือนกับคนที่สมมุติตนว่าเป็นบัณฑิตบางพวกเนี่ยนะก็ยังไม่กล้าทำบาปให้สาธารณชนเห็นใช่ไหมแอบแอบแอบแอบทำ กลัวเขาจะรู้เดี๋ยวว่าจะเสียชื่อเสียงเสียลาภเสียยอดเป็นต้นไปแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพระองค์นี้แอบคิดชั่วยังไม่มีเลยเหมือนกันเลไม่ต้องกล่าวถึงว่าจีที่ชั่วและการกระทําที่ชั่วเนี่ยนะว่าไม่มีบาปในที่ลับไม่มีความลับในการกระทําบาปแต่ว่าอารหันต์ข้อที่ศรัทธาอีกข้อหนึ่งก็บอกว่าห่างไกลาจากผู้มีปัญญาสามตรงนี้นี่รู้สึกจะศรัทธาเป็นพิเศษเลยนะ ขยายตามนัยยะดีกาเขาบอกว่าพระองค์นี้ห่างไกลจากผู้ที่ไม่ได้อบรมกายเหมนกันคนที่ไม่ได้อบรมกายพระองค์ก็ห่างคนเหล่านั้นไม่ได้อบรมศีลผู้ที่ไม่ได้อบรมจิตเนี่ยนะผู้ที่ไม่ได้อบรมปัญญาผู้ที่มีราคะโทสะและโมหะเนี่ยนะผู้ที่ไม่ได้สดับผู้ที่ไม่เห็นพระอริยะ นะไม่สดับธรรมะของพารยะไม่เห็นพารยะไม่ฉลาดในธรรมะของพารยะไม่มีวินัยของพระอริยะเป็นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่ปฏิบัติผิดอ่างนั้นเยเพระองค์เนี่ยอยู่ไกลแสนไกลจากบุคคลเหล่านั้นนี่นะถึงจะเดินจับชายสังคติอยู่ข้างๆก็ตามพระองค์ก็เชื่อว่าไกลจากคนเหล่านั้นอันนี้ก็คือความหมายของคาว่าอรหังอีกความหมายหนึ่งก็คือ อยู่ใกล้กับใกล้ใกล้คนตรงกันข้ามไปแล้วคือใกล้กับใครใกล้ต่อคนที่อบรมกายใกล้ต่อผู้ที่อบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญาผู้ที่ละราคะโทสะและโมหะผู้ที่ได้สดับธรรมะแลว้วผู้ที่พบพระอริยผู้ที่ฉลาดในธรรมะของพระอริยผู้ที่มีวินัยของพระอริยวินัยกี่อย่างนะวินัยนี่มีสองอย่างคือคือ สังวรวินัยกับปหานวินยัยเนี่ยนะสังวร5แล้วก็อะไรอีกปหาณะ5สังวรห้าก่อนนะหนมีศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรเนี่ยเรียกว่ามีสังวรวินยัยแล้วก็มีปหานวินยัยปหานวินัยมี5อย่างแต่ทางข้าปหา วิคัมพนาปหารสมุเฉธาปหารปฏิปัสสทิปหารและเนสระปหารเทั้งปหาณาหทั้งสังวรหเรียกว่าวินัยวินัยวินัยมนบอกว่าผู้ที่มีวินัยของพระเรียเจ้าเผู้ที่ละราคะโทสะโมหะผู้ที่ปฏิบัติในสัมมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็อยู่ ใ, นในกล้จะกลับคนทั้งหลายเหล่านี้ ถึงจะอยู่ห่างกันร้อยยน์ก็ตามพระองค์ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้กับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพราะท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติชอบแลาา้วพระอรหันนันก็อีกคำความหมายหนึ่งก็คืออันท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ทอดทิ้งเพระอรหันทั้งหลายจะไม่ทอดทิ้งพระพุทธเจ้าเพระอรหันเนี่ยธรรมเนียมท่านเนี่ยโอ้ยท่านมีศรัทธาที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ก็บอกว่าท่านเป็นผู้ที่กราบพระพุทธเจ้าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอวพราะงั้นพระอรหันต์เนี่ยนะจะไม่ทอดทิ้งพระพุทธเจ้าพระอนาคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีพระสกะทาคามีพระโสดาบันก็ไม่ทอดทิ้งพระพุทธเจ้าหรือว่ากัลยาณนักปุตชชนทั้งหลายเนี่ยนะกัลยาณ์นัปุตชชนทั้งหลายผู้ที่ประกอบไปด้วยคุณมีศรัทธาก็ไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าเพราะเขาหมั่นตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าใช่ไหม านผู้ที่มีคุณธรรมคือศรัทธาศีลสุตะจากคะและก็ปัญญาท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ทอดทิ้งพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็จะหมั่นตามระลึกนึกถึงคุณของพระองค์อยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงพระนามว่าเป็นพระอรหันต์เพราะพระคนดีๆทำแบบนั้นอนะ่ะไม่ทอดทิ้งพระองค์และพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งคนดีทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะ สัมมาสัมพุทธะหมายเขาว่าไงอ่านะสัมมาสัมพุโทโธเมื่อกี้ก็สวดแล้วเดี๋ยตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองตรัสรู้อะไรเห็นไหมตรัสรู้ยังไงตรัสรู้อริยสัจหรือว่าตรัสรู้ว่าตรัสรู้ว่าธรรมะเหล่านี้ควรควรรู้ยิง่งตรัสรู้ว่าธรรมะเหล่านี้ควรกําหนดรู้ตรัสรู้ว่าธรรมะเหล่านี้ควร ควรอะไรควรละตรัสรู้ว่าธรรมะเหล่านี้ควรทําให้แจ้งตรัสรู้ว่าธรรมะเหล่านี้ควรเจริญนะนะหรืออีกในหนึ่งเขาว่างันเขาบอกว่าควรยกขึ้นประกอบทีระบททีระบทว่าเหนะ็นมพระองตรัสรู้ว่าจักขุเป็นทุกข์สัตว์อะไรเองตันหาในก่อนตันหาในการก่อน ซึ่งเป็นเหตุให้จักขูกเกิดขึ้นเป็นสมุทัยสัตว์สมุทัยสัตว์ความไม่เป็นไปของจักขู่และตันหาอันนั้นเป็นนิโรธสัตว์อริยมรรคคือข้อปฏิบัติที่ทำให้แจ้งนิโรธนั้นชื่อว่ามรรคสัต์ชื่อว่ามรรคสัต์แล้วก็แค่จักขูกอันเดียวเลยพอหรื อ, อยังยังนะเอาอีกอะไรอีกโสตะ ขานะชีวหากายะและมณะคือใจก็อย่างลงอริยสัจเหมือนกันนี่คือสัมมาสัมพุทธะแล้วก็เอาอา ย, อายตนะภายนอกอีกนะคืออายตนะคือคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสโพธะและธรรมรมเนี่ยนะรูปเป็นสัจจะไหนรูปเป็นทุกขสัจ ต, ตันหาในก่อนที่เป็นเหตุให้จกักให้รูปเกิดเนี่ยชื่อว่า สมุทัยสัตว์ความไม่เป็นไปของตัณหาในก่อนและก็รูปอันนั้นเป็นนิโรสัตว์ข้อปฏิบัติที่ทําให้แจ้งนิโรสเป็นมัคสัตว์เนี่ยนะเสียงกลิ่นรสโภตภะและธรรมารมณ์ก็เหมือนกันแล้วต่อไปอีกวิญญาณ6วิญญาณ6มีจกักขูวิญญาณโสตขานะชิวหากายะและมโนวิญญาณจักขูวิญญาณเป็นทุกสัตว์ตัณหาในก่อนเป็นเหตุให้จักขูวิญญาณเกิดชื่อเป็นสมุทัยสัตว์ความไม่เป็นไปของ ของไอ้ตันหากับวิญญาณนั่นแหละเป็นนิโรธสัตวนะ์เนไเอ๊นิโรธก็อยู่ใกล้ๆตาเราเนี่ยเนานะน่าจะมองเห็นนะมันบังไว้อะไรนะบังไว้อวิชาสัาอย่างอันนะชาบังไว้เนะโอ้ามว่าเกิดมาคิดเรื่องนี้กี่ครั้งละมับังไว้จริงๆเลยนะเห <c oughs> ็นนะข้อปฏิบัติที่ทำให้แจ้งนิโรธนั่นแหละชื่อว่ามักศักิ์อันนี้ แล้วภาษาหกเนี่ยจากขูสัมผัสโสตาสัมผัสคานาเสีมผัสชิวหาสัมผัสแล้วก็กายาสัมผัสมโนสัมผัสเนี่ยนะก็สงเคราะห์ลงอริยศาสตร์อีกนั่นแหละเวทนา6เนี่ยนะสัญญา6สัญญา6กเนี่ยเรียกว่ารูปประสัญญาเป็นต้นรูปประสัญญาเป็นทุกขสัต์ตันหาในก่อนเป็นเหตุให้รูปประสัญญาเกิดเป็นสมุทัยศาสตร์นี่ยแหละอันนี้ได้เลยนะความไม่เป็นไปของตัณหาและ ทกอ น, นั้นเป็นนิโรศสัตว์ข้อปฏิบัติที่ทําให้แจ้งนิโรดนั้นชื่อว่ามัคสัตต์ทีนี้ต่อไปเจตนา6รูปประสันเจตนาสัพสันเจตนาเป็นต้นนะนะก็สงฆ์ขดลงอริยศาสตร์อีกอันนี้สัมมาสัมพุโทโธทั้งนั้นเลยแล้วต่อไปอะไรตันหา6ตันหาหรูปประตันหาเป็นต้นวิตกหวิจารหสัญญา10เนี่ยนะอนุสติ10พุทธานุสติ พุทธานุสติสมุทยัยเคยได้ยินว่าพุทธานุสตินิโรธพุทธานุสตินิโรธคามินีปฏิปทาสงฆ้ออนุสติลงอริยสัจด้วยนะนะอนุสติสิบแล้วอนะไรอีกยังไม่หมด อ, อาการสาสองผมผมสมุทยัยเกษาเกสาสมุทัยเกสานิโรธแล้วก็เกสานิโรธค า, รามินีปฏิปทาเล็บสงฆ้อได้หมดอ่ะอันนี้ก็สัมมาสัมพุทโธเหมือนกัน แล้วต่อไปขัน5รูปประขันเนี่ยรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคา ม, มินีปฏิปทาเป็นต้นนะนะอายตนา12บาสิปเนี่ยนะปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมแล้วก็ปัจจัยาการก็ปฏิจจะเองนั่นแหละแล้วก็พบแล้วก็อินซีพวกนี้สงข้อลงอริยศาสตรตามนี้เรียกว่าสัมมาสามัมพุทโธนะเอาไปคิดเยอะๆหน่อยนะจะได้ทราบซึ่งในพุทธคุณวางก็นั่งคิดดูนะ จะเห็นคําว่าสัมมาสามพุธทธธมากขึ้นและก็จะเข้าใจคําว่าพุโทโธเพราะว่าคําว่าพุโทโธเพราะท่านเพ่งลักษณะนี้แล้วก็ละราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้ น, นั่นแหละจึงเรียกว่าพุโทโธ